หลวงพ่อสมบูรณ์วันที่สองมิถุนายนสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดมีอะไรไหมหายใจเข้าอยากยาวมีอะไรหายใจออกรู้สึกอย่างไรดูวามรู้สึกรู้สึกสงบไม่สงบอันนี้รู้สึกสบายไม่สบายอันนี้เอาไม่สบายก็ปรับให้มันสบาย หายใจไงถึงปลอปองดีโล่งอกโล่งใจมีไงอัดอั้นไหมข่มกดไม่มีความขบขดอัดอั้นไหยหมายถึงจิตรู้จักปล่อยความรู้สึกมันจะเบาพอเห็นความรู้สึกแล้วก็ปล่อยความรู้สึกมันจะโล่ว่าโอ้เบาทางกายก็อย่าไปเกร ง, งมีเกรงนี่เกรงตัวไ ม, ไม่ใช่เราเกงรงเลองดูไวความรู้สึกเกรงไหยความรู้สึกดูความรู้สึกทางกายครับ มีการเกรงเนื้อกเกรงตัวไหมถ้าไม่มีแล้วขี้ค่ะผ่อนคลายเนี่ยเราดูแล้วก็ถ้าเราดูแล้วก็ผ่อนคลายได้เกรงแล้วก็ผ่อนได้เลยทางจิตแล้วก็ปล่อยความรู้สึกก็จะเบานี่และกเรียกเผาน ะ, ะเขาเผานาะแปลว่าทําให้มันดีนะัขณะที่เราดูกายดูใจเราโบดีฮาร์ดปรับให้มันโกมเกินมันเลืองรองเดินสะดวกไหม หายใจพอดโป ม, ม่ไหายใจไงถึงต้องอเหมาะพอดีหาความพอดีเท่านี้ที่จะให้มารู้อีกทีนี่เรียกทำหน้าที่นะครับามารู้ทำอะรก็รู้หน้าที่แต่ข้อที่เป็นปัญหาก็คือว่าความต่อเนื่องที่จะทํำสภาวะนี้ให้ให้มันต่อเนื่องอยู่อันนี้เราต้องเห็นนี้เดี๋ยวนี้ยังเห็นอยูนะ่ไหมเห็นไหมครับเห็นไงแล้วมีอะไรไหมคือขนาดนี้มันไม่มี อ่าไม่มีเราดูอะไรเราเองเห็นไม่มีอย่างนี้อย่าลืมันครับต้องเจริญอันนี้ย่าให้ลับที่ถ้าไม่ใช่ไปทําฟามสงบนะฮะนี่นะอย่าไปนั่งทําฟามสงบอย่าไปทําแบบนั้นให้ดูอย่างนี้อเดี๋ยวนี้ท่านมันนมือท่านก็รู้ทําอะไรอยู่ความรู้สึกเป็นไงก็เห็นชัดๆใช่ไหมตอนนี้ไม่มีอะไรมันไม่เป็นอะไรอะว่างๆเฉยๆไม่มีอะไรอันนี้ดูไว แล้วให้รู้ว่าเนี้ภาวะเดิมอย่างนี้ถ้าเราไปเราก็รักษาความเป็นอย่างนี้อย่าให้มันเป็นอย่างอื่นนี่เราดูอะไรอ่ะทีแรกไม่รู้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรทีนี้ถ้าถ้าเรารู้ให้มันอยู่ค่ะนี่เห็นอยู่อันนี้แล้วมันจะปุงไม่ได้ครับมันจะเกิดอะไรไม่ได้นั่นนั่นคือความที่เราถ้าถ้ากำลังสุดต้องใช้คําว่าประคองถูกแล้วประคองเจ็บอันี้แหละเคยประคองรู้อะไรให้มันรู้อยู่ตรงนี้ พอเราเ ข, าะขอะอันนี้ปุ๊บมันจะปรุงทันดีครับครับในในผู้ฝึกก็คือมันจะปรุงเรื่อยเลยครับก็ตรงนี้ง่ายๆก็มาดูอริยาบทของตัวเองมาวีานี้เป็นไงหายใจเข้าออกสบายครับมหเยยืดเนื้อยืดตัวเป็นไงสบายอันนี้ก็นี่ก็เป็นการฝึกให้อยู่กับให้รู้นูเรือตัวอยู่กับเนื้อกับตัวนั่เองให้รู้อยู่กับเนื้อกับรู้ไว้เราจะทำการทํางานไปไหนก็อย่าลืมอันนี้ ันนี้ก็ิดกะมันชินตอนนี้พอชินก็ไม่ลืมเลยจะทําให้ก็เห็นจิตของเราโอ้ก็ะจะประคับประคองไม่ให้มั น, นไม่ให้มันเกิดอะไรขึ้นก็คือน้ําใช้กายนี่เป็นสื่อถูกแล้วดึงร่างกายเพื่อดึงจิตไม่ให้ไปถูกต้องไปปรุงถูกให็นไหมครับเนี่ยก็อาศัยที่เราดูตัวเราเราเห็นได้นะเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจอยถ้าเห็นอย่างนี้นะนะะ ที่ที่ผมให้แข็งแรงเลยที่ผมทํามาเนี่ยนะครับก็คือว่าคือไปก็ไปเรียกว่านั่งสงบมาหลายเป็นสิบปีนะครับครับทีนี้ผมมองว่าเราอาศัยกําลังของความสงบตรงนั้นมาเพื่อให้จิตสงบผมมองอย่างนั้นนะครับคือจิตสงบแปลว่าจิตที่จะไม่ปรุงเวลาที่เราที่เรามองอะไรทัศนสาไม่ให้มันทัศสายไปนั่นเองผมมองว่าความความสงบตรงนั้นมันช่วยประคองครับที่ที่ผม มองอย่างนั้นนะครับไม่ทราบว่าผมมองผิดยังไ ง, ะ ค, ะร ง, รงครับจริงๆแล้วก็เพื่อที่ไปทำฟาร์มสงบนั่นก็เรียกว่าไปทําาร์มสงบเป็นเราเข้าไปเป็นเราสงบแต่เราจะไม่เห็นมันรู้แต่ว่ามันไม่เห็นมันต่างกัน ค, คือสงบแบบไม่รู้คือไม่รู้ตัวครับใช่ครับแต่รู้แต่วา่าไม่เห็นอันนี้ไอ้ตรงที่ไม่ไมเห็นน<ช>ี่ครับมันเลยมีเรามันก็เลยมีเรา เดี๋ยวนี้เราดูความรู้สึกเห็นความรู้สึกได้ไหมมีเราไหมถ้าเกิดเห็นก็ไม่มีนี่ครับเท่านี้เพราะไม่เห็นไม่มีเราก็ไม่มีตัวตนแล้วก็ว่าคืออันนี้ผมก็เป็นธรรมชาติล้วนๆครับคือที่ผมมองว่าในถ้าเราตอนที่ไปทําความสงบเที่วีหลวงพ่อว่าเราไปทําความสงบนั่นนะครับคืออาการจิตมันสงบตามไปด้วย คือพอเสร็จแล้วมันก็มันก็จะทิ้งคําว่าเราเพราะว่าอาการจิตมันสงบไปใช่ไหมครับในส่วนมากเราจะเข้าไปในความสงบครับคือไปตีเราเห็นเรารู้ ร, รู้เห็นแต่ว่ามันไม่มันคล้ายๆมันรู้มันรู้แต่มันไม่เห็นหรอกมันก็รู้ว่าแต่เข้าไปอยู่ในฝาธรรมครับคือผมมองว่าอย่างนี้ครับผมเพาหมายความว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเหมือนการฝึกกําลังเป็นสมถะเป็นการฝึกกําลังเหมือนเราจะเล่นกีฬาสมมุตินะครับผมตีอะไรอย่างนีใช่ไหมครับว่าเราจะเล่นกีฬาเนี่ยเราจะต้อง หักฝึกกําลังให้อยู่ตัวแล้วจึงจะไปฝึกเทคนิคทีนี้การที่ว่าที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ก็คือว่าการที่เราจะเห็นมองให้เห็นตามธรรมชาติอันนี้คือเทคนิคแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าผู้ที่ไม่มีกําลังเนี่ยก็จะเห็นไม่ได้นาเห็นไม่ได้ต่อเนื่องผมผมเข้าใจอย่างนี้จริงจริง ม, มันอันครับมั น, ม, นมันก็ถูกที่ท่านพูดเนี่ยมันถูกแต่บางครั้งเนี่ยส่วนมากคนไม่รู้ส่วนมากจะไปติด ถ้าท่านพูดอย่างรู้อย่างนี้มันถูกอแต่คนไม่รู้นี่มันเข้าไปมันติดออครเขาหมายถึงว่าผมเปลี่ยนเหมือนว่าเป็นถนนที่มาคู่กันอย่างนี<า>้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็แยกไปทางนี้ถ้าแยกทางนี้ก็คือแยกไปติดกับแยกมาทางนี้มาแยกมาทางเห็นเป็นวิปัสสนาะใช่ใช่ไหครับแต่อาศัยกําลังที่เพราะมาแต่เป็นพื้นแต่เพราะผมมองว่าถ้าพวกเราไม่มีกําลังเลยเนี่ยมันเห็นต่อเ น, นื่องไม่ได้เลยครับหลวงพ่อ มันเห็นแป๊บเดียวใดเดียวมันก็ติดกันแล้วเคยเข้าสําคัญให้เราเห็นความรู้สึกนั้นน่ะคือตัวกําลังนะโอ้ oh. ตัวนี้ตัวกําลังครับ oh. แต่ก็บางบางครั้งเนั่นเราไปเขาเรียกว่าสมถะกับวิปัสสนาอันนี้ครับ oh. ที่จริงมันก็มันก็มันก็โคบโคบเลยมันก็มีทั้งสองคอรับ oh. oh. ใช่ไหม oh. Oh. ใช่ครับ oh. oh. แต่นี้ส่วนมากจะมันจะไม่เป็นวิปัสสนามันจะเป็นสมถะ oh. oh. oh. มันจะละไม่ได้โอ้ครับใช่ไหม มันไม่เละอันนี้มันเป็นไปเพื่อปล่อยเพื่อว่าครันนั้นมันเป็นว่าเรารู้สึกเราสงบหล่อเป็นเรารู้สึกเราสงบเข้มชัดโอ้ยังมีมานะไปใหญ่อแล้วขณะนั้นโอ้ยางนี้มันไม่มีทุกนี้แต่เวลากระทบสัมผัสนี้ไม่เห็นแล้วมันมันมันมันเข้าไปเป็นอันครับต้องต้องดูอันนี้เข้าใจครับผมจะต่างกันมากครับเธอที่พูดถูกนี่พูดยากครับพอๆเข้าใจเธอที่ ที่ผมได้รับจดหมายจากคุณหมอพุ่งส่งเนี่ยผมก็เห็นว่าคุณหมอพุส่งเขียนว่าการที่ผมดูจิตเนี่ยจะทำผิดผมก็เลยผมก็มองว่าถ้าอย่างระพ่อพูดนี่ก็ถือว่าการรู้กายเนี่ยมันสื่อถึงจิตอยู่ดีใช่ไหมครับเห็นกายก็ต้องเห็นจิตด้วยวนนี้หมายถึงก็ต้องให้ต้องดูให้ถูกอะถ้าดูถูกจะเห็นกายเห็นจิตเห็นจิตจะเห็นกายเพราะว่า ผมมองผมเคือจากประสบการณ์ของผมเนี่ยถ้าผมไม่ไปคิดฟุ้งซ่านคือมองอะไรแล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างที่ว่านี่แหละครับมันก็รู้กายครับแต่ถ้าเผื่อพอผมไหลไปมันก็ไหลไปทั้งหมดครับกายก็ไม่รู้นะครับจิตก็ไม่รู้อันนี้แหละนี่แหละนี่แหละหลงแหละครับท่านเราต้องเห็นคามรู้สึกของเราครับคือที่นี่ถ้าเห็นความรู้สึกสงบอยู่ครับอเดี๋ยวนี้จะนึกถึงอะไรเราจะคิดถึงอะไรไม่ไดไม่ใช่คิดอะไรไม่ได้ แต่เรายังรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรหรือมันจะคิดอะไรเราจะเห็นความคิดเ้าเรียกว่าเห็นความคิดแหละมันนึกถอะไรก็รู้เพราะจิตนี้มันจะคิดเราต้องนึกอ่ะนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่ออะไแต่เรารู้ตัวของเราอยู่ไม่มีทางหลงเลยแต่ก็ต้องฝึกอันนี้คือถ้าเป็นอย่าไปทําอย่างอื่นเลยครับป็นคำพูดของผมก็คือว่าไม่ให้มันลากเราไปก็มันก็เราก็อยู่เหนือมันน่ะคือโดยโดยทั่วไปมันจะลากไปไม่ได้ล่ะถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้มันลากไบ คือถ้าที่ผมดูจากประสบการณ์ตัวเ<น>องก็คือว่าคนเราเนี่ยคิดหนึ่งเรื่องแล้วก็ต่ออีกเรื่องต่อยหนึ่งเรื่องต่อยหนึ้องต่อเป็นเส้นไม่มีวันหยุดเลยที<า>นี้เราก็คือว่าเหมือนกับเราถอนเส้นให้มันถอนช่วงให้มันนะครับช่วงนี้อ่าวเราได้เริ่มนับเริ่มคิดใหม่แต่ก็คือเราคอยเห็นมันอยู่ไม่ทราบว่าจะผิดคือเรารู้ตัวเราเห็นตัวเราเหมือนกับเราเห็นอย่างนี้เห็นจิตเห็นใจก็เห็ือนอย่างนี้ถ้ามีอะไรเขยืดหน่อยรู้และ ก็เห็นอากาหน่อเดี๋ยวนี้เทาอย่างนี้สงบอยู่ถ้าจิตเราไม่มีอะไรสงบเราก็เห็นนะมีอะไรเราก็เห็นครับต่อไปไหนเราก็เห็นของเราถ้ามันมีอะไรผิดปกติเราก็รู้ทันทีโอ้เพอแล้วครับอันนี้หมายถึงฝึกสติเน้นคําว่ารู้ตัวเน้นเรื่องรู้ตัวไม่ใช่ไปทาำฟังสับแต่นั่นแหละคือสงบที่เรารู้ตัวนั่นคือสงบแล้วฟังดีๆ เพราะเคไม่ฟุ้งซ่านใช่ะอันนี้ก็ปกติดูด้วยเขายังเห็นใจเฉยเฉยไม่มีอะไรเขาจะพูดคิดครับใครจะมายุอายุ่ยยังไงเราก็เห็นจิตของเรามันไม่เป็นจะมายุ่ยไม่ขึ้นเนี่เรารู้ตัวอย่างนี้รู้จักนะรู้จักจริงครับเยราจะควบคุมจิตของเราได้แต่ไม่ใช่ไปบังคับนะพี่จะรู้อะไรเป็นอะไรจะรู้เฉยไม่เฉยเฉย พอเรารู้ตัวพอเราสมมุติว่าเราเพลินไปไนะคไม่ว่าจะยาวหรือสั้นก็ตามพอเรากลับมารู้สึกตัวคนะวามคิดมันก็ถูกถอนอยู่ในตัวแล้มันก็ตัดไปทันที <Hah. S 1> พอมารู้สึกมันก็<ช>มันก็หลุดไปทันทีแต่ว่าที่ผมทํามาก็คือว่าพอเรามารู้สึกตัวเนี่ยผมผมไม่ได้ว่าให้รู้สึกตัวแบบอยู่อยู่กับตัวมผมก็พอดูรู้สึกตัวก็ผมก็รู้ว่าอาทิติดเราก็หยุดคือผมมองทั้งทั้งสองคือการรู้สึกของเราสงบมันหยุด เด well uh huh. ี่ยน um oh. um ี้มันหยุดอยู่เนี่ยเราจะพูดคุยนี่พูดคุยฟังก็ยังเห็นจิตหยุดอยู่สงบอยู่อันนี่อันนี้ธรรมดาที่เราไม่ถ้าเราไม่เห็นเราไม่ดูเราไม่เห็นมันไม่เป็นอย่างนี้นะมันจะรู้สึกไปนะมันจะรู้สึกรู้สึกไปมันการนี้ที่เขาไปปฏิบัติว่าเอ๊ะเรารู้สึกนะมันรู้สึกไปมันรู้สึกมันยึดครับมันยึดมันเกาะมันเกี่ยวมันผูกมันพันมันหมกมุ่นไปทันงทีเป็นสติปุทุธจรใช่ ไม่ใช่ถูกต้องชถูกต้องนี่ถ้าเรมาเห็นอย่างนี้นี่นี่แหละคําว่าอาริยนี่เสนก็ปกตินะจิตปกตินเกี้ยงไม่มีอะไรเลยโลว่าเดี๋ยวเราทํ า, ทาพูดคิดจิตก็เกี้ยงสวยงามนี่อริยาการตัดสินอริยการต่างภาษาสิต่างเลือเรืออริยอริยกันตัดสินสินของผูดดู้ใดงดงามเหมือนการรักษาสินก็นี่สินอยู่ ก็จะมีระเบียบวินัยก็ท oh, ี่จริงครับจิตของเราอันนี้ทําอะไรก็จะถูกต้องนุ่นวนรู้จักจะพูดไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ารู้จักเราจะทําอะไรหรืออะไรจะมาอย่างไงมันจะมาอย่งไรนี่รู้่อนแะอันนี้หมายถึงว่าเราก็ต้องฝึกมาเรื่อยๆนะอันนี้หมายถึงว่าถ้ารู้แล้วอนะถ้ายังไม่รู้ก็ต้องดูไปเรื่อยๆเหมือนถ้ายังไม่รู้ก็หมายถึงว่าให้เราเห็นความรู้สึกรู้สึกนแล้วก็ต้องฝึกให้มันเห็นอย่าให้ลืมความรู้สึก และขณะที่เราฝึกไปเรื่อยๆทางรู้ทางเลิมทั้งหลงทั้งเลืมเราก็จะได้ประสบเพร า, าว่าเราก็จะรู้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆทำไปเรื่อยๆพอจนสติมันต่อเนื่องจริงๆก็เรียบร้อยอ๋ออะไระก็อย่างงั้นอย่างนั้นจิดก็ปล่อยจิตมันไม่อยากยาจะไปยึดอะไรๆๆพอเนาะเคยถ้าเทียบแล้วแต่หมอเขาว่าตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องยื้อยุดกับมันอันนี้แน่นอนน ะ, ะอันนี้ไม่ต้อง พอย <watermelon. S 1> ื้ยุดพอเราชักหางชักชักความคิดชักไม่ไม่ไม่ไม่จนสมผัสมีการย <aime. S 1> well, er. ื well well. so, ้ย <Okay. S 2> right. ุดนั่นเองเพราะเรายังไม่รู้เท่ารู้ทันเขาเรียกว่ายังไม่รู้เท่ารู้ทันยังไม่รู้ไม่รู้เท่ารู้ทันไม่รู้จักการไม่รู้จักแกวก็อาศัยที่เราดูอย่างเนี้ยเนี่ยที่ดูอย่างนี้ยดูไปเราจะรู้เองนี่คือผมพอผ่าประสบการณ์มาบ้างแต่ว่าพอผบถามตัวเองว่าถ้ามีคนถามว่าทําไมการที่เรารู้สึกตัวหรือว่า เห็นความรู้สึกเกี่ยงที่เราพอว่าง น, นะครับรแล้วจึงทำให้กิเลสมันจางออกไปจากใจเราได้ถ้ามีคนถามเราจะตอบอธิบายได้ยังไงที่จริงมันไม่มีกิเลสอยู่แล้วครับมันไม่มีกิเลสอยู่แล้ว <retrou voir. S 2> พอมารู้อย่างนี้มันไมีมกิเลสครับแช่ถ้าไม่รู้แล้วมันจะมีคือถ้ารู้อย่างนี้มันว่าถ้าไม่รู้มันจะวุ่นอย่าี้อย่าไปเอาคำพูดมาตอบนี่มันไม่มันไม่ใช่เลย คือต้องเห็นภาวะอย่างนี้แล้วเขาจะเข้าใจ ค, คือเราจะไปพูดเป็นอะไรอะไรอันนี้ไม่ใช่พูดให้รู้ไม่มีทางครับตามที่ผมเห็นภาวะที่ที่คล้ายๆนี้นะครับไม่ทราบว่าจะใช่หรือเปล่านะครับก็ ค, บคือผมพอดีได้อ่านหนังสือหลวงพ่อเทียนที่พูดว่าความจริงน้ํามันไม่ได้ขุนน้ําเป็นส่วนน้ําตะกอนเป็นส่วนตะกอนแต่ถ้าเรามองรวมก็คือน้ํามันขุนถ้าเรามองแยกน้ําก็อย่างคงเป็นน้ํำมันจิตเราก็คือเป็นน้ํา ส่วนความขุ่นนั่นคือกิเลสมันมันมาอยู่ในที่เดียวกันเมื่อเรามองมองรวมแต่ถ้าเรามองแยกมันก็คืออยู่อะไรที่อันนี้พูดให้ครับเหตุผลของการพูดให้คลงเปรียบเทศตบเนี้เดี๋ยวนี้ดูนี้อดิเดี๋ยวนี้เลยศึกษาที่เดี๋ยวนี้ดีกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เห็นปัจจุบันอันนี้ของจริงอันนั้นลจะไปเอาเรื่องอะไรอะไรมาพูดมังเรื่องสมมุติขึ้นมาอันนี้ของจริงจบ นี่ไม่มีอะไรครับรู้ว่าไม่มีมีอะไรก็รู้ว่ามีอะไรแม้แต่มันมีอะไรเราก็ยังเห็นก็แล้วก็ยังเห็นว่านั่นเสียงนั้นก็เป็นเสียงปรากฏการ<ม>ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเรารู้จักดูให้ออกจริงๆนะแยกให้ออกก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพสังขาระอ น, นิจจาสัพเพสังขาระทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตา ต้องให้เห็นนั่นเห็นอันนี้จากดูกครั้งสิ่งเหล่านี้มันมีที่เห็นแล้วแต่จะมันจะมีอะไรบางครั้งเราเผลอมันอาจจะโกงแต่งก็เรื่องของมันแล้วก็เฉยอยู่เนความรู้สึกเดี๋ยวมันก็ด่าอันนี้ส่วนมากจะเป็นเรารู้สึกมนม่เราเข้าไปแหละวนั่นหนักเกิดแล้วเราเข้าไปเกิดแล้วสมสมุติว่าความเผลอที่หลวงพ่อว่า น, านี่ครับใน แค่ระดับไหนจะเรียกว่าเป็นความเฉลยนะครับสําหรับขณะที่ไม่เห็นความรู้สึกนั่นเรียกว่าเพิมอมหมดล้นั่นละเลืมตัวแล้วต้องเห็นตัวเองอยู่ตลอดไปลาอันนี้ต้องฝึกอันนี้เนี่ยมากน้อยก็อยู่ในตรงนี้ที่จะพ้นทุกข์ได้มากน้อยอยู่ตรงนี้ถ้าเห็นตัวเองตลอดเวลาไม่เพิ่เลยนีไม่มีทุกข์เลยทุกข์จะเกิดไม่ได้คอยรู้จักจริงๆนะหรือขณะเดี๋ยวนี้สัมผัสก็ได้มาเดี๋ยวนี้พอรู้ตัวไม่มีทุกข์นั่นคืถามอย่างนะ ความรู้สึกนี่เกี้ยงไม่มีอะไรมีไหมมียินดียินล้ายไหายใจเข้ า, ยาอย่าวๆเราจะเห็นชัดเนี่ยวิธีดูทบทวนครับให้รู้ปัจจุบัติตรงนี้ครแล้วก็ครับถ้าอย่างนี้พอถ้าจบกิจแล้วนะครับถ้าจบกิจจริงๆเนี่ยจะมีเผอได้ไหครับมันถึงถ้าเราพอเรารู้จักจริงๆแล้วถึงมันจะเผลินเพลก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเ ก, เกิดอะไรไม่ได้เกิดอะไรไม่ได้นี่มันจะไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ พ่อเราชินชินก็อันนี้แล้วแต่ส่วนมากจะไม่ได้เผออถ้าเราต้องฝึกก็อยู่ที่เราอะเราจะรู้เนี่ยมันจะเผอไม่ได้มันจะไม่เผอมันจะเป็นมันเองมันจะเห็นว่ามันอยู่อย่างนี้เฮ้ยถ้าผมจะมองเป็นลักษณะเทียบว่าถ้าผมกําลังฝึกเนี่ยนะครับผมดูอาการความเคลื่อนของจิตได้ครับถ้าเผลอว่ามันมันอย่างที่ผมพูะว่ามันจบอยู่แล้วใช่รับถ้ามันไม่จบก็คือมันเคลื่อน เคลื่อนออกคืออาการมันมีอยไรจิตเคยเห็นความเป็นไปไม่ใช่จบหรือไม่จบแล้วเราเห็นจิตของเรามันเป็นไปยังไงครับมันไม่มีไปไม่มีมาไม่มีเกิดไม่มีดับก็แสดงว่ามันจบแต่ในความไม่มียินดีไม่มียิน้ลยหรือไม่มีการต้องรับรองหรือปฏิเสธก็ไม่มีไม่มีขัดแย้งไม่มีในจิตเรามันจะบริสุทิมันจะเกลี้งนั่นแหละจบแล้วไม่จบมันจะอยู่ตังนเราจะคิดโอ้มันก็แค่นี้ เรจะไปทําอะไรเราจะไปทำก็ ไ, ำไม่มีอะไรเกิดเกิดแล้วไม่ได้่พอเราไั่รู้วคือเขามัรู้เนี่ยนะนะผมผมพอ <laughs> คิดว่าคิดว่าพอเจอ <c oughs> ดึงจากประสบการณ์ที่ผ่านมา้า <c oughs> พอเข้าใจนะครับแต่ที่ที่ว่าก็คือแล้วการที่เรามีปฏิกิริยาก็สมมุติเราต้องมาพูดกับคนหรือว่าเราจะต้อง <c oughs> พูดถึงเรื่องการก่อสร้างอะไรต่างๆนี่มันจะลากเราไปได้ ก็เราเห็นจิตของเราไงที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามเห็นความรู้สึกัองเราทําอะไรก็ทําไปแล้วก็ไม่ลืมเราเห็นจิตของเราเมื่อมันว่างไม่มีอะไรเราจะอยู่แบบนี้เราจะไม่ลืมอันนี้พอเราลืมเราจะรู้จักนี่ว่าโอ้เพราะเราฝึกอะต้องฝึกให้มันรู้อยู่อย่างงี้รู้อยู่นี่เห็นจิตเห็นใจอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนเห็นจิตก็สงบอยู่จะทําการทํางานก็เห็นความสงบอยู่ปกติอยู่ <mister tumors> ปกติเราจะพูดเราจะคุยเราจะทำอะไรอะไรเจ้าอะไรก็แล้วแต่ละทุกอย่างไม่ยกเล่นเลยกินเคี้ยวเดิ่หนังเข่าห้องน้ำห้องมันเห็นจิตมันไม่ลืมจิตเลยอย่างนี้แล้วม <m uch> ันจะผิดปกติได้ยังเรากรู้ถ้าผิดปกติก็เรียกว่าผิดปกติแล้วแล้วแล้วเนี่ยเราก็รู้เพื่อไม่ให้ผิดปกติก็เรียกว่ประคับประคองรักษาจิตอันน <m uch confirm> <away> ี้หมายถึงว่าใหม่ใหม่ถ้ายังไม่ถึงนั้นรู้สึกว่าเราต้องคอยประคับประคองถ้ารู้แล้วมันจะเป็นเองนะ มันจะเป็นของมันเองเลยนะปล่อยแล้วเราต้องปล่อยอีกเทนะอีกแรกมันจะเป็นการเราเราต้องเคยดูเคยนะ่งไม่ได้เราทำมากมากเขาไมันจะเป็นเองเราไม่ไปครับเขาไม่ต้องไปรู้มันมันก็รู้มันเองอ่ะครับของกงเปรียกที่จักรยานนะครับตอนหัดขี่ใหม่ๆนะเล้วแล้วแล้วพอไปน่ะรู้สึกว่าเอ๊ะเห็นเราต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรครับถูกต้องอันนี้เปรียบเทียบเท่นี้มันนี่เหมือนเราเปรียบเทียบอะไรก็ได้แค่เปียบเทียบเนี่ยต้องมาดูที่จริงๆครับนีนะ อันในเปรียบเทียบใครคนไม่รู้ฟังเท่าไรใช่ไหมแต่จริงๆเราให้รู้ปฏิบัติอยู่บ้างอย่าท่านปฏิบัติมานานเราดูตรงนี้ดีกว่าพิสูจตรงนี้ของจริงไม่ใช่คําพูดครับนะที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดให้ฟังนะะพูดให้ดูฟังดีๆนะใช่ไหมฮะเนี่ยลองดูดิไอคําพูดะเป็นเซอร์อะไรบางครั้งคําพูดนี่มันยังไม่ค่อยตรงเราต้องเห็นของเราอของจริงคือถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้เนี่ย ที่ผมปฏิบัติมาในช่วงสองสามเดือนหลังเนี่ยผมก็เข้าเข้าลักษณะนี้ครับก็นี่แหละงั้นถ้าท่านเห็นอันนี้ผมพูดตรงนี้ท่านก็ต้องเข้าใจท่านต้องเห็นได้ต้องเข้าใจได้เพราะดังนั้นแหละผมลองเล่าอีกทีถ้าเปื่าหลวงพ่อตะทีนี้เพิ่มคือว่าผมใช้เก็บอารมณ์ช่วงละห้าวันแล้วก็เว้นสองวันก็ห้าวันตลอดทีนี้ในห้าวันนี้ก็คือว่าผมจะไม่ต้องพบกับใครเลยทีนี้เราก็ดูจากอาการของเราเนี่ยครับดูอาการทั้งวันเลยดูอาการว่า มันจะมีช่วงไหมที่เราจะลงไปยาวหรือลงไปสั้นหรือว่าไม่ตัวกิ่งธรรมนาเนี่ยเรื่องการเก็บอารมณ์ไม่เก็บอารมณ์ลงทีดังนั้นทีก็ผมว่ามันไม่เค่อยนานเท่าไหร่ครับให้เราดูจิตวิญญาณเหเ็นตารู้สิตนะหลงพ่ดคุยเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราสังเกตตีตรง น, นี้นแล้วแต่นี้เราพยายามอย่าให้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันมีเพ้อไหมรู้ตัวอยู่มีความคิดเห็นนะครับนะไม่ต้องมีความคิดเห็นนะ ไม่ต้องมีความคิดความเห็นนะแต่ที่ผมสังเกตก็คือว่าถ้าถ้าเราไปคุยกับผู้อื่นนะครับที่ที่ผมไม่ได้มาคุยกั บ, บหลวงพ่อเลยว่าคุยเรื่องธรรมะลึกๆซึ้ ง, งๆนี่นะครั บ, บมันก็มีเผลอไปครับในระหว่างที่เราเพรนี่ก็เลื่องขกาฝึกสติองนะี้นฝึกตัวติดตัวนี้อย่าให้ลืมถนะ้าเราเห็นดูดิถ้าเรารู้ตัวของเราหรือเห็นจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลากะไม่เห็นมันต่างเลยนี่แหละจับจุดนี่แหละที่มันจะเกิดกิเลกก็เกิดที่ตรงนี้ แล้วผมสังเกตว่าการที่เราพูดคุยนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะหลุ่มไปหรือพลาดไปมันมีสูงกว่าอันนี้เราฝึกครับอันนี้เราก็พแล้วเราฝึกอกับของจริงนี่มันจะดีกว่าที่จริงผมปฏิบัติมาผมไม่เคยเก็บอารมณ์เลยแล้วผมไม่เคยสอนแนะขายให้เกิเดอารมณ์เลยผมจะให้ดูอย่างนี้แล้วมันของจริงเพื่อเราจะอยู่กับลุกสิ่งตรกอย่างครัใช่ไหมห้่นตานื้เติ่นตัวแข็งข้องแค่วงไป มันตื่นจิตตื่นความรู้ความตื่นมันมีเข้าถึงความรู้ความตื่นหรือมันเป็นความรู้ความตื่นกับอะไรเลยเข้าไม่ได้ตื่นโพรู้ตูนอะไรจะเข้าได้พอเราดูจิตมา ม, ามานันพักออกครับว่ามันก็เหมือนกับ ไอแม่เล็กที่อยู่ไอลำโพงวิทยุมันมีสองตัวอีกตัวมันจะดูครับอีกตัวมันจะพักออกทันทีเลยเนี่ยเข้าถึงตัวนี้มันจะหักออกเราจะเห็นโอ้ยี่นงนะถ้าผมได้สังเกตจากที่ว่าเว้นสองวันที่ไม่เข้าเนี่ยเราเราก็เอามาพูดคนอะไรแล้วก็ดูว่าเรามีอาการไหมที่เราจะผิดต่อไปฉะนั้นขณะที่เราจะพูดเราจะคุยเราพยายามดูจิตดูที่คามรู้สึกเป็นไใครใครดูอะไรยา้มีความคิดเห็นอะไร อย่าไปมีเจตนาอะไรอะไรให้จิตเขาเฉยเฉะเดี๋ยวนี<_<_้ฟังเฉยเฉยท่านพูดนพูดคุยเราก็ยังพูดคุยอยู่แต่จิตเรายังเห็นจิตของเราสงบอยู่จิตในจิตเราไม่มีอะไรนี่นะเดี๋ยวนี้พูดคุยก็ได้พูดคุยก็ใครได้นี้จิตเราไม่มีอะไรเราเห็นจิตของเราก็ไม่มีอะไรเคาว่าไม่มีอะไรหนึ่งไม่มีทุกข์ไม่มียินดียินร้ายอะไรแล้วเดีนี้ที่มันเกิดมีเพราะอะไรเราก็จะรู้จักเราก็เคยระวังอันนั้น ใช่ไหมครับผมเข้าใจเมันก็เกิดไม่ได้อันนี้มันเของจริงใช่ไหมทั้งอย่างเราไม่น่ากับเก็บอารมณ์มันไม่มีอะไรนี่นั้นถ้าเก็บอารมณ์เร้วมันเดินจงกรงสร้างจังหวะที่นี่เรจาจะเน้นหนึ่งเคลื่อนไหวอันนี้ไม่นั่งหลับตาถ้านั่งหลับตาผมคิดว่าเลิอกอย่าไปทำผมเมื่อก่อนนี่ทํามาที่ท่านคงทํามาเยอะแล้วผมคิดว่าตอนนี้อย่าไปทำํำพอแล้วอันนั้นนะแม่มีอยู่แล้วสมถะอันนั้น เป็กรรมตนี้เราพยายามยกขึ้นสู่วิปัสสนาพยายามครับใช้ปัญญาแล้วใย่ไหมเอาปัญญาดูจิตนั่นเองโอ้สงบจิตสงบไม่ใช่เราสงบครับส่วนมากจะว่าเป็นเราสงบแล้วเราก็เพลินก็ไม่อยากจะรู้อะไรก็ไม่อยากจะอะไรพออะไรกระทบปุ๊บไม่ทันเลยครับพังไปเลยพังผมทํามาแล้วเข้าใจครับเพราะว่าผมก็มา ได้ที่ว่าอาจจะโดนหลงพ่อเทนนะครับหรืว่าฟังหลวงพ่อประสิทธิ์ก็เป็นลักษณะเดียวกันอนี่แหละนี่แหละถ้าฟังหลวงพ่อแล้วก็เหมือนกันครับนะ๋ต่ผมจะรวบรับมากกว่านั้นอีกผมจะไม่นะเข้าใจครับคุณหลพ่อพูดตรงเลยครับอตรงลักษณะอาการที่เราจะต้องปฏิบัติเห็นตาพาเป็นจริงเือเรียกว่าเป็นวิปัสนาถามว่าเห็นตาความเป็นจริงหนึ่งเราไม่ต้องไปทําำดูอ๋อ เฉยๆถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ดูโอ้เพ้อไปอาจจะเกิดโลภโทสะความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นแล้วเป็นไงผิดปกติแหละแล้วก็ดูเฉยๆแล้วก็รู้โอ้นี่ทุกข์ที่หลังเราจะระวังไหมไม่ให้มันเกิดอย่างนี้ที่เกิดนี้เพราะอะไรเพาเราต้องการที่จะ ด, ดับทุกข์ใช่ไหมเพื่อไม่ให้ทุกข์เกิดนั่นไม่ให้มันมีทุกข์นั่นเองเราก็จะรู้จากตรงนี้ที่เกิดไม่ได้ทำรู้เท่ารู้ทันโล้ั น, ร, นรู้แกอย่างนี้น ยังไม่ทันก็ยังแก้ได้เปลี่ยนอารมณ์นะรู้จักเปลี่ยนอารมณ์หรือคลายหรือทอน <c oughs> กลับมารู้สึกหายใจเข้ายาวๆโล่งว่าเกี้ยงพัดตรงนี้ <c oughs> อ่ะเพ้อไปรู้บางอีกอ่นแล่จะเดินอยู่เร่องเห็นความรู้สึกเราจะทำอะไ ร, รก็ง่เงยเห็นความรู้สึกตลอดเลยละ หูฟังเสียงตาดูตาดูหูฟังแล้วก็ไม่หลืมของเราเราจะพูดคิดทำปกติอย่างทำด่าทำไม่ต้องไปงดอะไรแต่ อ, อะไรไม่ต้องไปงดอะไรครั อ, อ, อย่างนี้ที่ให้มันถึงให้มันใหม้ใหมันเข้าให้มันโกมเกินให้มันเชื่อมโยงกันอะไรแล้วเราก็ยังเห็นอะไรๆ ไ, ได้เนาะเดี๋ยวไปตัดนะถ้าตัดแล้วเราก็ต้องไปฝึกอันนั้นอีกอย่ดีงดะจริงไหมฮะเ ข, ข้าใจครับใช่ไหมครับเข้าใจแล้วไปฝึกกัของเจงดีกว่าค ก็เร็วกว่าเขานะ <Okay. S 1> แต่นี้วิธีง่ายๆแล้วก็ให้สบายไปเดี๋ยวเนี้หายใจเข้าออกเปนะ็นง่ายปอโป่งโลงอกโลงใจนะใจดีไหมโล่ใจเราดีก็ยิ่งอยู่กับตัวมันจะเผอไม่ได้อ่ะครับมันจะไม่เผลอมันก็จะมีที่อยู่นะเขาวิหารธรรมเละสร้างวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของตัวเองหลอเลี้ยงหายใจงนะ่าให้มันดีมอกีม ใ, ใจพอดีไปไหนก็บองเนื้อบาตัว มันจะไปไหนอ่ะก็อยู่กระตัวเลยก็เห็นอยู่นี่มันไม่ต้องไปอาศัยอะไรอะไรเลยหรือก็ไม่ต้องไปอาศัยอะไ ร, รไม่ต้องไปของงอความเปีความเป็นอะไรเลยแต่ว่าทําการทํางานมีอะไรหน้าที่รู้จักหน้าที่อะไรทำทําล้วทำท ำ, ทำแล้วก็ยังจิตก็ไม่มีอะไรทําแล้วก็รู้ว่าอะไรต้องทําก็ต้องทําทําแล้วก็ไม่มีอะไรพ่อผมขอถามให้มันแตกแขนงเอาไปอีกหน่อยได้ครับนีมน่มอนคือเวลาที่ครั้งนั้นที่หลวงพ่อทำ มีที่ทําความสงบอย่างที่วันไป น, นั่งให้นิ่งเนี่ยนะครับที่เราคว้าทำมานะครับมีไหมครับที่พอเราออกมาจากการที่เรานั่งทําความสงบหรือทาความนิ่งแล้วเราก็มีความเป็นปกติหลังจากนั้นอยู่ได้นานอยู่เหมือนกันมีใช่ไหมครับก็เป็นปนะแต่ว่าเราบังทีบางครั้งไอ้อย่างนี้ต้องเข้าใจว่าเกิดปัญญาแล้วไม่เกิดปัญญาต้องอยู่ตรงนี้อต<ข>อนผมค่ยค้าว่าจะไม่เกิดปัญญาค่ายค้าว่าเราก็จะไปติดความสมงบนั้นพอได้สงบแล้วเราก็ยัง ก็ไม่อยากจะแหม่พอไปอยู่กับคนยุ่แม่ไอ้นี่มาทำให้เราเสียความสงบอีกแล้วแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ยังหลงโทษคนนั้นอะไ ร, รอไรร่าเงี้ยว่าเขามาทำให้เราเสียแล้วก็อยากอยากเนี่ยเราต้องการความสงบแล้วอะเนี่ยสงบได้แล้วเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะให้ทุกคนสงบอ๋อครับ กลายเป็คนชอบทำยี่แอ้วตอนนี้เราจะได้ตอนนี้เราจะได้หมดอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปเรียกร้องเลยไม่ต้องไปเรียกร้องว่าให้ใครตองอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่ไปโทษใครหมดแหละก่อนนี้เราจะโทษครับเราจะเรียกร้องแหมเราท้องกานยากอยให้โลกมันอืมเป็นให้มันเรียกร้อยไงน้องเป็นระเบียบตอนนี้เราไม่ไปเอาอย่างนั้นแล้วพอเห็นนี่แก้ไม่ได้หลังดูไปดูมาจะทำไม่ได้ถูกต้องเป็นว่าให้รู้จักธรรมชาติตามความจริง พอมาเข้าใจนี่แล้วเกิดปัญญาเนี่ยรู้อ๋ออะไรก็เป็นอย่างนี้แต่นี้ไม่เหล็กรอกเออยังไงก็ได้อะตอนนี้ยังไงก็ได้ล่ะนี้พอเรารู้ตัวมันจะมีอะไรเกิดก่อนล้วไม่รู้ใชมไหมเราจะเอาอ่ะเป็นไปเพื่อจะเอาเพื่อจะเป็นก็ยังมีอัตตาเนะ่ยใช่ไหมตอนหลังเราไม่มีตัวเราโอ้อเดี๋ยพอเรแยกความรู้สึกกับเรารู้สึกก็เห็นความรู้สึกตรงนี้เท่านั้นมันก็ต้องค่อยๆจางลงมาครับอ๋ก็ต้องดูไปเรื่อยๆ ถ้ดูไปเรื so on, ่อยก็ต so yeah. okay. exactly. ้องจางไปเรื่อยแหละคือเท่าที่เท่าที่ผมจางมาผมใช้คาว่าความทุรนทุรายในใจเนี่ยมันมันจางไปไปคือความทุกก็มารู้อย่างนี้มันก็เราก็เห็นความจางคายใช่ไหมมันจางคายเราก็เห็นความจางคายครับใช่ครับเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าจิตก็ไม่ไปติดไม่ไปยึดอ่าเดี๋ยวนี้ก็แลเป็นไงฟังรู้สึกไปไปผูกพันกัอะไรไหไปหมกมุ่นกับอะไรเนี่ยคิดว่าว่าจางว่าผูก วางจากความยินดียินไล่ฉเฉยฉฉ เ, เ, ฉเฉยเราฝึกว่ามันจะเฉยเฉยมันจะไม่มีอะไรแต่สําคัญก็คือความต่อเนื่องอันนี้แหละเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่ า, ยางแช่นท่านทำที่จริงมันก็ถูกอยู่แล้วอ่ะใช่ไหแล้วก็ค่อยๆดูไปอันนี้ว่าอ่อนเป็นไงไม่ให้มันเป็นงั้นมันเป็นไงั้นพราะอะก็เราก็พยายามที่จะเขามารู้ทุกค่อยๆดูค่อยๆจางจริงๆใช่ต<ค>องเคยเรานี่แหละมันจะจางไปเอง ก็ค่อยหมดไปข้อค่อยหมดไปเราก็เข้าใจขึ้นตอนนี้ข้อสําคัญเราจะต้องรีบทําตรงนี้ใช่ไหมให้มันจบแ ม, ม, ม่ครับเดี๋ยวราดีพังให้มันจบแม่ไม่ใช้คำว่าเพียนผมใช้คําว่าเพียนผมใช้คําว่าเพียนถูกต้องก็เพีียน้้้ถาถาาตอนแรกผมใช้คําว่ารีบอันนี้พอผมมาดูใจตัวเองมาผมว่าใช้คำว่ารีบไม่ได้ต้องใช้คําว่าเพียนคำว่าต้องเพียนเพียนเพื่อเพียนเพื่อเพียนาระลุ่นเพื่อเพียนรู้จิตรู้ใจเพียนเพื่อจะรู้เท่ารู้ทางเพียนเพื่อจะรู้ รู้ทางกายรู้ทางใจรู้เนาะผมผมใช้ว่าพอเราพอเรากลับมาได้เอาอานี้แล้วกันนะครับว่าผมผมรั้งมันมาได้นะครับไม่ให้ไหลไปเนี่ย<อ>มันก็รู้กายมันก็รู้จิตด้วยทีนี้พอรู้กายเนี่ยผมไม่ได้ให้รู้กายเต็มที่ผมก็ไปไ ป, ปพยายามดู้วาสามารถที่ทำา่านมานะครับทีพอจิตมันก็จะคิดออกไปเราก็จะว่าบางทีมันคิดไปแล้วเรื่องที่หนึ่งไม่ทันต่อเรื่องที่สองเราก็ทัน แล้วก็จับกลับมาอีกผมเหมือนกับว่าจับกันนะครับคือว่าต่อสู้กับมันชักไเยอะกับมันนะครับผมจึงบอกว่าถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าส่วนมากมักจะคิดไม่ได้เรื่องที่สองแล้วผมก็กลั บ, ลบมาได้โดยเว้นว่าที่แพ้ไปนานจริงก็คือสองถึงสามนาทีแล้วผมก็กลับมาอีกวันหนึ่งผมก็ดูอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าผมหยุดความคิดวันลบเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นครั้งก้านนี้อันดีอันนี้แหละถูกไหมครับก็ถูกครับ แต่นี้<บ>เราต้องมาฝึกฝึกเพื่ออยาให้มันมีความคิดเห็นวิธีฝึกก็หมายถึงนี่เดินจงกรมไม่ได้เดินใช่ไหมเดินไหมเดินครับนั่นแหละหขณะที่ไม่มีความคิดเห็นเลยเอาเดี๋ยวนี้ไม่มีความคิดเห็นหายใจเข้าออก็ยังเห็นควารมรู้สึกไม่มีความคิดเห็นหายใจออกก็ไม่มีความคิดเห็นหรือขยับนิ้วขยับตัวก็ไม่มีมความเห็นเราจะดูอะไรก็ยังเห็นจิตของเราไม่มีความคิดเห็นดูอันนี้ให้รู้เท่าทันตรงนี้เรามันจะคิดไปไม่ได้ แต่ในฝึกเนี่ยยังต้องใช้เวลานะผมพูดแค่นี้ไในฉวับลูกแค่นี้ผมเข้าใจตรงนี้ไงนะ้ะที่ว่าก็คือความต่อเนื่องแล้วมันมันทําไม่ได้ยังต้องทําเป็นปีเลยครับนะครับนะเนี่ยที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยนะยังต้องทําให้ต่อเนื่องจริงๆเนี่ยยังใช้ต้องหกเจ็ดปีเลยอ๋อครับแต่ที่ที่เมื่อกี้ผมเล่าเนี่ยก็หมายความว่าเราเห็นในในจิตของเราว่าจิตมันแลกออกไปจิตมันแล่นออกไปคือ ถ้ากลับมาที่ความรู้สึกตัวมันก็คือไอ้นั้นมันก็กลับมาด้วยไหกครับคือผมก็ให้รู้จุดนั้นมไหมไง<ก>ให้รู้อ๋อรู้ตัวนี้ตอนนี้เรา ables. ดูอะไรโอ้ยังเห็นอยู่โห้เราจะฟังก็ยังเห็นเราเชอก้าวเราเชื่อข่มเราเชื่อมันยังเห็นจิตของเราอยู่ตลอดเวลาแต่นี้มันไม่ตลอดอ่ะเราก็พยายามให้มันเห็นตลอดว่ก็ต้องทํำยังไงนี้ก็ต้องรู้เองนะครับใช่ไหม แต่แล้วพอพูดอย่างนี้ฝึกอย่างนี้ไปดื้อๆจนมันอยู่ตัวให้มันอยู่ตัวครับอันนี้ท่านพูดในมันมันยังไม่อยู่ตัวเราต้องพยายามฝึกยังไงให้มันอยู่ตัวล่ะคแต่แต่านั้นเองอย่าไปมุ่งอะไรอย่างอื่นให้มันอยู่ตัวแล้วกันแล้วก็จะเข้าใจได้ถ้าที่ผมทําผ่านมาในแต่ละช่วงเนี่ยผมก็มองเห็นเลยครับว่าความคิดของเราเนี่ยพอเรารู้สึกตัวมากก็ความคิดมันสั้นลงครับเรื่องสั้นลงเรื่องสั้นลงแล้วก็แล้วก็มันไม่ไปไกลนไม่ไปนานใช่ แล้วมันไมไปหนักด้วยครับพ่อหลวงครับคือไม่ไปเกาะเกี่ยววัาไมต้องเป็นเราต้องเป็นของเราอ่นี่ยแหละปล่อยตัวนั้นพอราพ่อเราเห็นความรู้สึกของเรา<ะ>แล้วมันจะมันจะไม่มีตัวเราของเรา<ะ><ะ>มัากําลังคิดอะไรเพืเห็นจะเกิดความรู้สึกก็เป็นของเราแล้วเป็นตัวเราไอ้ น, นั้นมันจะแย ก, กมันออกครับ ะ, ะเราก็จะเห็นได้โอ้่เข้าไปแล้วก็ต้องกลับมา อ๋เนี่ยก็ต้องเราก็ต้องเาอาหลักการพุทธเจ้าว่าจริงๆนั้นมันไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นแหะสิ่งที่เราดูที่เราเห็นนั่นแหละครับทีนี้ผมยังมองลงไปกว่านั้นอีกหน่อยนึงไม่ทราบจะเกินเลยเป็นไงครับพ่ อ, อคือว่าผมมองว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกมันมันจะใหญ่โตสําหรับเรานะครับแต่เรื่องที่เรายังยังติดอยู่เนี่ยนะครับอย่างเช่นผมตอนนั้นน้องสาวก็โทรมาคุยกับผมแล้วเขาก็ร้องไห้ที่ว่าเขาจะตกงานอะไรอย่างนี้นะครับ ทีนี้เราก็เป็นห่วงน้องสาวเราก็คิดไปคิดกังวลไปแทนเขาว่าเราให้คาแนะนำเขาไปดีหรื อ, อยังที่ผมก็มองว่าผมคิดเนี่ยเรื่องเนี้ยผมคิดหกครั้งพอครั้งที่เจ็ดเนี่ยผมบอกไม่ให้มันมามันก็หลังจากนั้นมันก็เงียบไปเลยมันไม่มาเลยไม่ทราบว่า <S <S คือแต่ละครั้งนี่แปลว่าครั้งก็ประมาณที่วานาทีสองนาที <S <S แต่ผมคอยดูเลยก็ว่าผมพบว่ามันเกิดมาบ่อยเลยจนผมไม่อยากให้มันเกิดก็นี่แหละถูกแล้วไง จะจะใช้ได้ไงก็ไม่ให้มันเกิดนั่นแหละถูกแล้วเราจะพูดคุยเราจะแนะนำแล้วก็แนะนัยข้อสําคัญดูอย่าให้มันมีอะไรเกิดในจิตในใจอยาให้เราถูกขาลากไปเนี่ยอยาให้จิตอย่าเข้าไปร่วมครับอย่าให้มีเราอย่ามีความรู้สึกเป็นละเรารู้สึกมันจะเข้าไปร่วมอยู่างนี้นะที่ว่าหวงกังวลก็มาทันทีเลยนช่ไหมถ้าเราเห็นความรู้สึกแล้วครับมันจะไม่มีครับนี่แหละคือเลือละแบบไม่ต้องละคนที่ผมเล่านี่คือเรื่องที่ใหญ่ แต่ในความเป็นจริงก็คือแต่ละเรื่องที่ทุกๆเรื่องที่มันเข้ามาในจิตเราันแต่ละวันมันก็คือมาแล้วมันก็ไปเลยเป็นส่วนมากนั่นนะเราจะรู้จักการจิตของเรายังไงอย่าให้มีอะไรเกิดแล้วเราต้องมองเห็นว่าคว า, ามเกิดนะต้องเห็นมันในจิตนะมีอะไรหรือไม่มีอะไรแล้วมันเป็นอย่างไรครับอ่า ะ, ะ, ะ, ะไรคือทุกแล้วก็ต้องเห็นทุกใช่ไหมต้องรู้จักทุกครับเนื่องมารู้จักแล้วมันทุกก็เกิดไม่ได้ <laughs> ไห้ความเห็นอีกอันนคือที่เกิดเนี่ยผมมอกว่าตอนที่จิตจิตมันเห็นความคิดหรือความเกิดดับเนี่ยมันเกิดเกิดแล้วมันก็ดับใช่ไหยครับความคิดพอเราเห็นทันเข้าทันเข้ามันก็เกิดคําเหมือนจะอาการขึ้นมาคันิด จ, จังขึ้นมาคือมันไม่เที่ยเกิดแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นหรือเก่านะครับผมคือมันเกิดในขณะที่เราเห็นเปลีล่ยนรอบเลยใช่ใช่เห็นอาการของมันก็เห็นปฏิสมุบบานที่มันเชื่อมโยงกันยั ง, ยงไงนั่นะนั่นนับ แล้วมันก็เกิดคําว่าเป็นอนิจจังและเป็นอนัตตาแต่แต่ผมไม่ได้เกิดคําว่าเป็นทุกขังในขนาดนั้นไม่ทราบว่าอาการนี้ทุกขังก็่แปลว่าทนอยู่ไม่ได้มันจะอยู่ในสภาพเดียวไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงก็คือเห็นนันอนิจจังก็อันเดียวกันเลยแหละครับถ้าถ้าทุกขอนิจจังทุกขังนี่ที่จริงมันถึงจะมันถึงจะมันถึงจะป็นจันมันแต่เรื่องดียมันถึงจะเรื่องเดียวคจริงๆเป็นคําเราจะเข้าใจง่ายขึ้นว่างั้นแลอ่า เธอถ้าถ้าไปแปลทุกขังว่าทุกขเวทนาจะเเนี่ยมันมัไปเตไปตีเป็นสองอย่างไปแต่ที่จริงมันอันเดียวแล้วนะเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละคือหมายถึงว่าทนอยู่ไม่ได้ทุกแปลว่าทนอยู่ไม่ได้มันไม่ตั้งอยู่ใช่ไหมอันเดียวกันใช่ไหมแต่ว่ามันตนอยู่ไม่ได้นั่นแหละคือดี่ว่านิจังไมครับใช่ไหมแต่ที่ตอนนี้เราเห็มันก็เรียกกลับไปมันก็อยู่ตัวของมันเองคือเห็นตัวของมันเองนะตัวของมันเองคือเป็นอนิจังทุกขังนั เราต่เนี่ยดยพอเห็นอันนี้จังทุกขังั้งตาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วถึงเห็นอันั้นตาโอเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวตนอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วกันคอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเห็นได้ง่ายๆนะเราต้องพิจารณาดูต้องใช้เวลานะอที่ผ่านนะแล้วไม่ใช่เราไปคิดเอานึกเอานาเราต้องเห็นอาการของมันงจริงเห็นอาการลงมานีไม่ใช่เป็นความคิดครับผมไม่ใช่คิดเอาหรือมาคาคะเนเอาอย่างเราไปอ่านมาเนี่ย หรือเราไปฟังมาเขาบอกเป็นงย่าแล้วก็เห็นตามนี้ก็พูดจําออกมาให้อันนั้นคือคือปรุงเอาปรุงครับแต่ถ้าเราเราไปค่าคเนเอาเราบปน่าเราก็เห็นก็เห็นไปอย่างนั้นได้แต่ก็นี่เราเห็นอาการของมันที่มันเกิดขึ้นนั่นเองแล้วมันก็ดับไปเห็นความเกิดเห็นความดับผมก็เพียงปรึกษาหลวงพ่อว่า จากความจากการเห็นอย่างนี้แล้วเกิดคํานี้ขึ้นมาจากจากใช่ความจริงหรือไม่อ่ะไรก็แน่นอนนะครับถ้าเห็นอันนี้แล้วเรามันจะมันจะปล่อยมันจะวางอะไรอะไรหมดโอ้ย่างนี้จิตมันจะหลุดมาแต่ว่าอย่าเห็นว่าจิตเราไม่ไปติดอับโอ้ย่างนี้เรามันเห็นมเราเห็นเห็นอะไรตาอะไรอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเรายังไม่ใช่มีตัวครับาอย่างเห็นอันนี้จังทูกข์ขังวรานั้นว่าเห็นแบบมันคิดนึกมันยังมีเราอยู่ครับ กะเราเห็นเหมือนเห็นสิ่งของโอ้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนไปแต่จริงเรายังโล่งว่าโปงบาแต่ในความเป็นจิตอับความสมัครใจพวกนี้ต้องเกิดหลายรอบใช่ไหมครับคือเกิดครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่เลยเพราะถ้าเราจะให้มันอยู่เราก็จะไม่ให้มันอันนี้ถ้าเห็นความเป็นจริงทีครั้งหนึ่งก็เราก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาทีก็ทําให้เราฉลาดขึ้นมาทีเข้าใจอะไรขึ้นมาทีนใช่ไหมเราก็จะเลื่อนจิตของเราสูงขึ้นทีน้อยแล้วน้อยจนถึงที่สุดอ ไ ม, ไม่ต้องคิดไม่ต้องเรียนะเห็นเลยมองที่อ่านออกหมดอ่านออกหมดทีแรกยังต้องค่อยๆอ่านใช่ไหมก็ผสมคาไปอย่างงั้น <So ี้มือนรันพออ่านพอมันจบแล้วมองปุ๊บก็เห็นเลยอะไรเป็นอะไรเข้าใจดีแจ erm um> ้งคำแล้วไม่ไปยินดียิน้ายอะไรอ๋ออย่างนั้นอ่ะมันไม่ต้องบออย่าไปยินดียิน้ายมันเป็นของมันเองอ่ะพอรู้อะรู้ความจริงนะ ไม่ใช่ว่าเราต้องหลุดหรือเราต้องพนอะไรพอเห็นความจริงแล้วนั้นมันก็นม่มีอะไรเป็นธรรมดาโอ้อย่างนี้เป็นธรรมดาทุกสิ่งเป็นธรรมดาคุณเห็นธรรมดานะธรรมดาเงี้ยเต้องค่อยคอยเห็นออพค่อเห็นถูกต้องครับหลวงพ่อว่าช่องใช้เวลาหกถึงเจ็ดปีใช่หรือ <c oughs> จกัจกจักนับจากตอนไหนครั <นะ S 1> บหกถึงเจ็ดปีขณะที่พอเริ่มเห็นจิตอย่างนี้เริ่มเห็นเห็นกับธรับ เราเราต้องมาเจริญอันนี้หมายถึงต้องมาเจริญนี่ถ้าเห็นแล้วเราไม่เจริญก็ไม่มีทางมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะสามชกอยู่เองนะไม่ใช่เพียงเห็นแล้วก็แล้วกันเห็นแล้วเห็นต้องเจริญที่ผมพูดเนี่ยนะที่หมอนี่นเราก็ต้องมาฝึกกันเลยนะยังเห็นสิจูความรู้สึกจะไปไหนมาไหนเห็นความรู้สึกอยู่ความรู้สึกที่ไม่มีอลไรพอเห็นความรู้สึกเราจะรู้ได้ว่ามันจะว่างมันไม่มีอะไรทันนี้พอมันมีอะไรขึ้นมาก็รู้ทันทีโอก็เพอ เราก็จะเข้าใจตรงนี้เพราะันเราต้องมายิงเรื่องยิงเรืองยิงประคับประคองอย่าให้มันเผลอเราก็ต้องหาอุบายเอาก็ต้องมีความแยกคายเดือดอะไรแบบนี้เคยประคับปรคองอย่างไงอย่าให้มันเผลอันนี้ <beh. S 2> เราต้องเห็นได้เลยว่าขณะที่เรารู้สึกก็เห็นความรู้สึกโอ้ต่างกันอย่างนี้เรายังมาทดลองอย่างนี้โอ้อย่างนี้นี <nie. S 2> น่ทําไปทําไปเจีให้มันหลุดออกมาจากกันให้มันหลุดออกจากความรู้สึกนัเมื่อนั้นแล้ว จะเปอย่างไรอย่างนัก็ไม่เกิดละเกิดไม่ได้อันนี้ขนาดที่ยังติดกันอยู่เนี่ยพยายามมันขาดออกจากกัน<ะ>แล้วมันจะไม่ไปเชื่อมกับอะไรอีกแล้วอันนี้ขณะที่ยังเชื่อมอยู่ก็ยังต้องประคับประคองมันเราต้องเคยโล้อีกน ะ, ะจนให้มันเห็นเห็นเห็ น, ห น, นถึงที่สุดมันขาดออกจากกันเหมือ น, น<ะ>สั ญ, ญลักษณ์ของหลวงพ่อเทวมรนะครับว่าเชื่อกถึง<ะ>สองข้างตัดตรงกลางขาดได้ยังไงต่อไม่ได้แล้ว จะเยอะไม่ถึงด้วยมันจะไม่ถึงเลยคืออายัดนานเราจะเห็นได้ที่จิตเราอ๋อมันไม่ถึงกันอย่างนี้ไม่ใช่ฟังคําพูดเราต้องเห็นที่จิตของเแต่ตอนที่เชื่อมันเปื่อยๆพอจะเห็นได้แล้ฮะถ้าตอนที่เชื่อมันเปื่อยยังไม่ทั้งจะขาดตีเราจะเห็นไหมครับผู้ปฏิบัติก็ยังก็มันก็มันก็เบาบางลงจะเห็นได้แต่มันไม่ไม่เห็นขาดครับแต่ถ้ามันขาดจริงๆมันเห็นขาดจริงๆครับมันหลุดออกจากกันเลยครับ อย่างหวงเทียนนั่นเบียดเทียบปิงมันเกาะเรายาสูบจีนหลุดเห็นความหลุดครับอ่ากระทบล่องนี้แล้วกระทาสัมผัสะโอ้่อนเดบิวติอันนี้เอ๊ไม่มีอะไรครับมันไม่มีอะไรเกิดะไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรใดนี่เขาเรียกว่าปฏิบัติจนเข้าถึงเห็นเลยมันไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไร่ดแต่นั่นคืออาการมีทั้งมีทั้งเหตุมีทั้งปัจจัยมีอะไรมีพ่อหมดแต่มันไม่มันเกิดไม่ได้ก็เห็นที่จิตล่าง ไม่ใช่ไปเห็นนี่นะอ๋อสําคัญที่สุดเลยครับ <S <S นะชีวิตเราเ ค, คนเราเกิดมานี่เกิดมาทําไ ม, ไมเกิดมาให้รู้จักนี้ถ้าคนเราเกิดมาแล้วไม่รู้จักนี่เลยว่าเสียชาติเลยนั้นชาติของเราเนี่ถือว่ามหาชาติครับนะไม่ต้องไปบาําเพ็ญบัรลมีไม่ต้องไปบาําเพ็ญหรอกเอาให้มันได้เดี๋ยวชาตินี้เลยล่ะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เลยอต่เดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วใช่ไหม นี่เราเห็นอยู่อย่างนี้เรืๆก็เห็นปัจจุบันอย่าอย่าไปอย่าไปคิดนึกเรื่องอดีตอนาคตปล่อยไปหมดล้วจะไม่มีความรู้อะไรเราทำอะไรจะไม่มีความรู้รู้ก็รู้แต่จิตรู้แต่ใจเท่านั้นไม่ได้รู้อะไรมันได้จาอะไรเลยนี่แตกจริงๆเกี้ไม่มีอะไรไม่มีความรู้อะไรความรู้อะไรในจิตไม่มีเขเรียกว่างว่างจังอะไร ไม่มีอะไรแต่ผมก็พยายามจิตของเราเห็นจิตของเราดูจิตของดูจิตในจิตนั่นแหละใช่ไหมครัก็คือสติปัญฐาสี่คำวันเดียวนะฮะอันเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าไปพูดอย่างนั้นมันนะเราก็ต้องแต่คะแนนเอาไปอธิบายเห็นกายเห็นเบธนารับกรงขนาดเดียวกันใช่ไหมแต่นี้จิตเราเร็วอว่าใช่ไหม จริงๆไม่ใช่ขณะเดียวกันเหมือนเราเห็นอย่างนี้ก็เห็นหมดแล้วใช่ไหมดูไปอีกมืเห็นหมดเลยเป็นอาการของของกายเวทนาจิตธรรมที่ผมผมเปรียบของผมมนะครับผมเปรี่ยนเหมือนกับเรายกกล่องหรือยกลูกเตามาลูกหนึ่งมันมีกี่ด้านสมมติว่ามันมีสีด้านของของกายเวทนาจิตธรรมก็คือเรามองเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่งหนักกว่าอีกเหลี่ยมหนึ่งแต่จริงๆมันขึ้นมาพร้อมกันเป็นอาการนั้นไหมครับเรื่อเห็นกาย เห็นกายมันก็มีเห็นจิตอยู่นั้นคหละเพราะเห็นจิตก็เห็นกายอยู่นั้นเห็นเวทนาด้วยก็นี่ก็เรียกว่าเห็นนาการเห็นวัตถุกอะครับก็เห็นทั่วถึงก็เรียกว่าดูอะไรเห็นทั่วถึงเดี๋ยนี้ดูดิดูได้ทั่วถึงไหมกําลังนั่งอย่างนี้ดูทั้งตัวเห็นได้ใช่ไหได้ครับดูใจด้วยก็เห็นทั้งใจเห็นทั้งกายนี่คําว่าทั่วถึงคําว่ารู้ทั่วถึงเห็นทั่วถึงให้มันถึงนะให้มันถึงจริงๆครับเช็คไหะใช่ครับโดยทั่วไปก็จะเห็นตั้ตอน เห็นส่วนเดียวบางที่เราเห็นกายเห็นใจแล้วเราจะตาเราจะดูแล้ก็ยังไม่ลืมไม่ลืมเลยแล้วจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างอื่นได้ไงถ้าเรารู้จักหายใจเข้าเห็นนี่เราสบายให้มันสบายให้มันดีมันสบายมันก็ยิ่งอยู่อ่ะเนี่ยมันจะไปไหนใช่ไหมมันจะหลงไปไหนะ จะไปควายผ้าอะไรจะไปเรียกร้องอะไรไม่เอาเทําตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองนี่ก็คําพูดอีกแหละ <c oughs> ใช่ไหมที่ผมทําผ่านมามันคล้ายว่าจิตเราเนี่ยพอมันเลื่อนชั้นมันก็เลื่อนทีเหมือนเร็วนะครับแล้วมันก็เลื่อนหลายครั้งทีนี้พอผมกลับไปเล่าให้คนอื่อเขาฟังมันก็เหมือนกับที่เหมือนกับที่หลวงพ่อเล่าให้ผมฟังนี้ครับคือคนที่ผ่านไปแล้วก็พูดว่ามันง่ายครับคนที่กำลังทับก็ก้ไหมถูมอกอะถูกครับถูกใช่ ก็ต้องเพียรทําไปเรื่อยๆครับแต่สําคัญก็คือว่าจะให้ละความดีอย่างของโพนี่ของผมก็โพดถึงว่ามันเข้าถึงความเป็นอย่างนี้ครับใช่ไหมเมื่อยังไม่เป็นก็ต้องมีค่ายข้างหลักผมก็โพสในนั้นเสร็จใช่ไหมมาดูเนี่ให้เราดูเดี๋ยวเนี้รู้สึกดูอย่างเนี้ยไม่ต้องไปมุ่งเพื่อจะให้มันเป็นอะไรครับดูที่ปัจจุบันนี่เรารู้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ยหายใจเป็นไงสบายใจดีไหมกายดีแห้มนดี เราจะเห็นอะไรหมดพอรู้อย่างนี้มันจะมีอะไรที่ไม่เห็นที่ไม่รู้ครับก็คือให้เป็นปกติเป็นธรรมชาติปรับให้มันโกมเกินให้มันให้มันสมดุลใช่ไหมให้มันปกติด้วยก็ไม่มีอะไรครับยืดเดินนัน่งนอนทําการทํางานไปไหนมาไหนแล้ว อ, อย่าลืม <c oughs> รู้ปัจจุบันอย่าลืมปัจจุบันของเราเ น, นี่ยคําว่าทําภาวนาใช่ไหมฮะภาวนาไปก็ทำไม่ดีผมเข้าใจอย่างนี้นะ เข้ามาเดี๋ยวน้หยใจก็ดูแล้วต้องเคยตรวจก็ต้องเคยเช็คตลอดเวลาครับเดี๋ยวผมทำยังชินเดี๋ยวนี้มันเห็นตลอดเวมันจะปรับอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือให้ตอเนื่องมันจะปรับของมันเองนะไหมเนี่ยอย่างนั่งนี่ก่อนเนี่ยนั่งนี่บ่อยมันนั่งนี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมนั่นเราจะตรองขยับเนื้อขยับตัวครับเพาครับตอนนี้ถ้าผมถามในแง่เปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติสายเรื่อจะได้แล้วอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างสายอาจารย์มั่นเนี่ยก็ ก็มีผู้สําเร็จทําได้เหมือนกันใช่ไหมครับคือจะวิธีไหนก็แล้วแต่แล้วผลที่สุดคือที่สุดที่สุดต้องมารู้อย่างนี้ก็แล้วกันครับอย่าไปบอกว่าสายไหนสายไหนว่าได้และไม่ได้ถึงแม้แต่ของหลวงพ่อเทียนมันไม่ใช่รู้ได้ทุกคนถ้ามันไม่รู้อย่างนี้ทําแล้วมันไม่รู้อย่างนี้มันไม่มีทางอเอาอย่างนี้ดีกว่านะแต่ใที่ ท, ท, ที่ที่ผมสนใจก็ไหนแง่ว่าพอดีที่วัดจะมีเทศบางคุ่มครับเยอะมากครับเป็นร้อยของใครก็ได้แต่ จริงแล้วครับดูตัวเราอย่างนี้อถูกต้องพี่ตัวเราไม่มีทางอื่นแล้วกันอ่ะผมผมเข้าใจครับแต่ว่าท่านจะเน้นเรื่องพิจารณาเลครับฮะว่าต้องเน้นว่าพิจารณาให้เกิดปัญญานี่แหละนี่คําพูดเนี่ยระวังอย่าไปติดคาพูดไม่ต้องไปพิจที่เราขณะที่เราเห็นนั่และเราก็รู้อะไรเป็นอะไรอยู่ในนั้นเสร็จแล้วคือนี่แหละพิจารณา อันนี้อย่าไปเอาไอ้คาพิจารณามาพิจารณาอีกทีมันก็เลยเป็นสังขารเพราะว่าสังขารเป็นทุกข์นี่ต้องระวังนะครับบางทีจะไม่รู้ตัวเลยนะนะเขามาสังขารนี่ยนะกะวิสังขารสังคตะขสังคตะสังคตะอสังคตะนี่เราต้องให้เข้าใจให้ได้นะอสังคตะแปลว่าไม่ปรุงแต่งนะสังสังสังคตะแปลว่ามันปรุงแต่งนนี้ต้องเห็นนะถ้าปรุงแต่งแล้วมันเป็นทุกข นั่นเป็นทุกคือนั่นแหละทุกแต่บางครั้งอาจจะสบายใจก็ได้อาจจะพออกพอใจก็ได้แต่ามันทุกนั่นคือทุกเกิดนะครับเนี่ยครับซึ่งผมเข้าใจอย่างที่หลองพอนะครับก็คือว่าคาว่าพิจารณาของท่านเนี่ยก็คือความที่ว่าเป็นเห็นนั่นเองเห็นธรรมะที่เราเห็นน่ะแล้วก็รู้อะไรเป็นอะไรน่ะเห็นตามเป็นอัเสร็จอยู่ในตัวเสร็จแล้วไม่ต้องไปบอกว่าต้องไปพิจารณาผมจะไม่ ไม่พูดได้ใครว่าพิจารณาเพราะผมเคยโดนกับตัวเองมาแล้วต้องไปพิจารณาแยกให้มันเป็นกระดูก <_ S 2> เป็นอะไรต่ออะไรโอ้โหอย่างนี้มันไหลไปแล้วมันเป็นความคิดไปแล้วอะ่ะต้องแหม่บางทีมันซ้อนนะครับนะแล้วคนไม่รู้ด้วยนี่แหม่มันไปไกลเลยผมรู้กับไม่รู้นี่แหม่มันต่างกันมากนะครับจริงไหมนี่เราพูดถามจริงใั่ครับก็ผมผมแยกผมอ่านว่าพิจารณาอสุภะในในขั้นแรกนัน่ะก็คือทําเป็น อสุภกรรมฐานเท่านั้นเองเพื่อให้จิตสงบทีนี้คนไปเข้าใจผิดว่ารำอสุภานี้แล้วเกิดปัญญาผมผมเท่าไมันก็<อ>ถูกอแต่ทีน้คนเข้าใจให้มันถูกกันทีนี้คนเอาแม่อิจารณาอสุภาจะเข้าถึงธรรมได้ยังไงผมก็บอกไอ้ผมก็ไม่เคยพิจารณาอสุภาเลยจะทํำยังไงผมไม่เคยใช้เลยเรื่องครับไอ้กรรมฐานเสศผมไม่ไม่ใช่ครับนะก่อนนี้เราคิดฟังโอ้คงใช้กรรมฐานนะนั้นนะครับโอ้ทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้อ่ะใช่ไหม แต่นี่ก็ตามขนาที่เราก็ศึกษาไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยแล้วก็นี่แหละกมาได้ครัฝึกการเจริญสติอันนี้เพราะงจะเข้าใจเรื่องสติผอเสียเวลาตั้สิบกว่ปีตามถูกที่ไหนครับนะแต่ผมฟังก็รู้เรื่องไปผมคิดว่าผมรู้ผมเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจอ่ะแต่ทุกก็เบาลงไปแต่มันไม่ใช่อ ะ, ะ, ะมันไม่หลุดอ่ะมันไม่หลุดมันไม่พ้นนะ่ะแต่วันม่นมืความทุกข์อาจจะน้อยลงรเราอาจจะดีขึ้นอะไระอะไรอย่างนี้ แต่มันไม่หลุดไม่พ้นข้อสําคัญต้องเห็น้ตัวหลุดตัวพ้นเขาบอกมีมุดใช่ไหมเขาว่าสมมุติี่ยส่วนมากเราจะไปติดอะไรล่ะแล้วก็เราไม่ติดอะไรจิตมันไม่ติดอะไรไม่ใช่เราไม่ยึดถืออะไรมันไม่ใช่แบบนั้นไอ้มันคิดเอานึกเอาไม่ใช่นะคือเห็นจิตของเราโอ้มันมันหลุดจากอะไรอะไมันไม่ติดมันไม่ยึดอย่างนี้เองไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราไม่ติดไม่ยึดเน จะมาเห็นความ ร, รู้สึกของหลับมันไม่ติดไม่จิตเห็นไหม <ขอ S 1> ลึกซึ้งเข้าใจวิธีทําแต่ว่ามันก็คือต้องต่อเ น, นื่อง ต, ต่อเ น, นื่อให้มีสติรู้ตัวให้เรารู้ตัวรู้ตัวแล้วมีอะไรไหมเขารู้ตัวแล้วก็ต้องดูสงบก็ไม่สงบในจิตมีอะไรไหมมันเป็นยังไงปกติไหมต้องต้องเขี่ย โอเคอยู่ตลอดเวลาพมันไม่เที่ยงแป๊บเดียวเปลี่ยนแป๊บเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แป๊เดียวไม่ทันมันเลยเร็วจริงๆนี่แต่อนนี้จังอยู่ต่างต่างไม่ใช่ไหโอ้โหเต็มเหนือก็เยอะนะอะแล้วเราก็เคยเช็คอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ป่ะําจนแหมเห็นอยู่ตลอดเวลาดูจนเห็นอยู่ตลอดเวลามันไม่เห็นตลอดเวลาเราก็ต้องมาฝึกจนมันเห็นอยู่ตลอดเวลาสุดพิตรงนี้จริงๆอย่าไปทําอย่างอื่นผมทํามาแล้วจริงๆนะ ดูความรู้สึกกันเดียเห็นความรู้สึกอยู่สบายก็ได้ไม่สบายก็ได้มันไม่สบายก็รู้มันไม่สบายก็เฉยเฉยเราก็เฉยอยากว่าเป็นเรารู้สึกกันเลยว่าเราเข้าไปตั้งเขามันไม่สบายเขาเพราะมันไม่สบายใจหรือไม่สบายมายถึงว่าในใจเราไม่สบายหรือกายไม่สบายแล้วก็ดูก็เราก็รู้ได้โอ้เดี๋ยวนี้ใจเราไม่สบายแล้วก็รู้มันไม่สบายแล้วก็ดูเฉยเฉยแล้วเฉยได้แยกให้เห็นเป็นสองสิ่งเขามาสิ่งที่ถูกรู้กผู้รู้อะไรเนี่ยเนี่ยให้เห็นอย่างนี้ ว่าเก่าว่าเป็นเรารู้สึกอันนี้มันไม่ใช่นั่นเขาเราเข้าไปตั้งแล้วครับผมผมถามแบบคนสงสัยนะว่าไม่เป็นถ้าอันนี้เป็นประโยชน์ถ้าถ้าจบกิตแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมบูจบจิตนะครับจะมีความไม่สบายใจอีกได้ไหมครับไม่เป็นไม่ได้แล้วไม่เป็นแต่ที่ว่าถ้าไม่สบายใจแปลว่าเราจะต้องยังยังยังยังไม่หมดสงสัยแล้วมันจะหมดสงสัยด้วยคําพูดนี้ครับเมื่อหมดสงสัยแล้วก็ไม่จะไม่มีอะไรเกิดบอกแล้วเข้าถึงไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรไม่มีหรอก นะหมดเหงิดภูงซาแล้วไม่ ม, มีเรียบร้อยปกติเป็นปกตินะเรียบร้อยว่าเรียบร้อยว่ากันนะเอออย่าไปมุ่งเอาอย่างอื่น <c oughs> นะคำโทษเนีสวยมากเลยจะไปติดําลาติดอะไรต่อเรื่องนี้อย่าไปติดเอาที่ตูกจริงจริมันไม่ได้เป็นอะไรนะอย่าไปคิดว่าเดี๋ยไปสําคัญจะเป็นพระอรหันต์มันเป็นอาณาคาเป็นอะไรทิงไป ห, หมดมันไม่เป็น มันไม่มีอะไรให้เห็นธรรมาชาตินี่อย่างเดียวพอแล้วเห็นความไม่มีทุกข์พอแล้วคือมันก็เลื่อนไปเองครับไม่ต้องไม่ต้องไปบังคับมันก็ต้องเลื่อนไปเองอยู่แล้วมันเป็นไปเองขอให้เราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆรื่อเราจะเข้าใจไปเรื่อยเรื่ยเราจะเข้าใจไปเรื่อยเเห็น ค, คือให้อ่านตามอ่านตามศึกษางั้นการปฏิบัติก็ให้ศึกษาแล้วก็ดูนั่นเองนั่นแหละที่ว่าใช้คําว่าพิจารณงแต่ที่จริงมันไม่ใช่พิจารณาอย่างที่คนเข้าใจอ่ะใช่ไหมอ่า อ่นี้เห็นได้แล้ววาเห็นภาพรู้สึกสงบไม่สงบมันไม่สงบเราจะให้มันมสงบรู้สึกปรับให้มันสงบได้ใช่ไหมทำได้อยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะทําจิตของเราได้ทีแรกยังต้องทําต้องทําต้องทําเคยทยํานอะทางจะรู้เท่ารู้ทันจริงๆมันไม่ต้องทํามันเป็นเองเบมือนนี้มันจะเสียไม่ได้นั่นนะผมผมอยากขอเป็นความรู้อะที่ทํามากันเนี่ยนะครับมีผู้ที่ว่าถึงก็ว่า เป็นธรรมชาติอย่างนี้แล้วเนี่ยมีมากคิดว่าไม่มากไม่มากจริงหรอไม่มากแน่ครับคือมองแล้วคนไม่จริงจังโอ้ครับหรือที่จริงจังก็ทําไม่ถูกมันไม่ตรงครับไม่ตรงแล้วไม่มีทางครับแต่ก็น้อยพอพอพอให้เขาคลายทุกข์ได้บ้างเหมือนใช่ใช่ครับแต่ว่าถึงถึงที่สุดทุกจะมีน้อยเพื่อนครับน้อยคือหมายถึงให้ถึงที่สุดจริงๆมีน้อยครับไม่เชื่อ ที่ไม่เยอะพระนี่หลังทีก็มีหลายอะไรหลายหลายอย่างเอาค่ะเราเข้าใจที่ตัวเราอันครับเราทําไปแล้วเราจะเข้าใจเราจะอ่านออกครัก็ผมถามเป็นแค่ความรู้เปลือกเปลือกครับไม่ได้อา่านจิตใจอะไรครับนอยนไม่เชื่อเพราะถึงจะไปรู้คนอื่นเท่าไหร่ก็ต้องทําที่เราอยู่ดีแต่นี่มันพูดยากอยากจะรู้ใจตรงยากนอกจากเรามารู้ที่ตัวเราพูดไม่ถูก นะอ่ามันไม่ว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมาเห็นที่ตัวเราม เ, เราจะเห็นเนี่ยพอให้จิตเราสงบปกติได้เข้าถึงความสงบปกติจริงๆมันเห็นชัดเหมือนน้าที่ใสจะมีอะไรเห็นชัดหมดเห็นหมดเลยน ะ, ะแต่นีม้มีหมดสงสยนะัยมันเห็นอะไรลูกอะไรเป็นอะไระหมดสงสยัย ที่ทำผ่านมาพอดีผมเขียนจดหมายให้คมอคส่งแล้วแต่ว่า <c oughs> ไม่ทันส่งพอดีผมมาซะ้่อนคือในจดหมายนั้นผมเขียนไปว่าผมปฏิบัติมาในช่วงปีนี้เนี่ยผมก็หายสงสัยการปฏิบัติ <c oughs> หายสงสัยเพราะว่ามันจางลงมาจริงๆแต่ผมยังไม่หมดสงสัยแต่หมายว่าไม่ไม่สงสัยการปฏิบัติ <c oughs> ในวิธีในวิธี <c oughs> คือว่าความอย่างเงี้ยต้องใช่แน่เพราะว่าจิตเรามันมันลงคล้ายๆมันมันหายทุ้งหาย ก็ดีดีท่านกมาเนี่ยดีถึงว่าเนี่ยบางทีเป็นจดห ม, มายไหนว่าผมสงสัอา่านได้ฟังแล้วว่าไอ้ผมตอบโอ้อย่างนี้มันที่ว่ามาเองมาเองแล้วมาพูดคุยอย่างนี้มันครับมันตอบได้จนรวมสื่อมันไม่ได้มันไม่เหมือนกันจนนักเสือมันจํากัดมันไม่เหมือนกันจำกัดนะจจอ่าพอดีตอนนั้นตอบว่าไม่ถูกเขาไม่ถูกเพราะว่า ไปตีความว่าดูแต่ไปดูความคิดอ่าดูความคิดอย่างเยาวว่าให้ดูความรู้สึกอ่าแต่ความเป็นจริงคือถ้าถ้าดูความคิดมันก็เห็นความรู้สึกเนี่อ่ะอันนี้นะเราดูความรู้สึกเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยเห็นความคิดด้วยก็ดูความรู้สึกมีความคิดไหมอันนี้ใช่ไหมพอเราเห็นความรู้สึกเราก็เราก็เห็นได้เนี่ยมีความคิดมันไม่มีความคิดแต่นี้พอเราไปดูความคิดเราจะไม่เห็นความรู้สึกมันจะไหลไปกับความอ๋อครับแต่เนี่ยแต่ผมดูแล้วมันจะไม่เห็นความคิดด้วยครับจะไม่มีทางเห็นเลยแต่แต่ไม่แต่ มันจะไหลไปกับความครับแต่แต่คือว่าที่ผมดูก็คือว่าดูแล้วมันไม่ไหลไปได้ชมันก็คือว่ามันก็มีค่าส้าแ<ช>ต่เราับมาเหมือนกัน<ช>คือใช่ไหมอ๋อคือมันไปติดที่ภาษาจะมากกว่ามั้งคงจะต<อ>ิดที่แล้วแต่ามแต่ดูดูดูแต่ความคิดอย่างเดียวซึ่งจริงจริงมันไม่ใช่ที่จริงดูความรู้สึกสิผมว่าตรงที่ครับผมผมแล้วตอนนี้มันก็รวมหมดครัอย่างพระเทียนบอกให้ดูความคิดเห็นความคิดไหมเนี่ยผมพยายามทำแต่ทําไม่ได้แต่ท่านพูดเนี่ย มันถูกอย่างของท่านแต่เราไปทําตามคําพูดของท่านทาไม่ได้อคราะมันท่านบอกให้ตัดความคิดมันคิดให้เราตัดต้างตัดไม่มีทางผมมาจับได้เพราอมาเห็นความรูร้ ส, สึกเขาเห็นความรูร้ ส, สึกมันก็แต่มีความคิดไหมมันตัดอยูในตัวมันไม่ต้องไปตัดเลยครับความคิดมันเกิดไม่ได้เลยครับแต่แต่ที่ผมทําผมทำย้ดีนะอันนี้ก็ผมทำไปแล้วผมทําย้อนว่าว่าพอผมเห็นความคิดผมก็กลับมาที่ตัวได้ เป็นอย่างนั้นอันนั้นอันนั้นจะเป็นอยู่อย่างนั้นได้เลยอย่างนี้จะตัดไม่ได้ อ, อ๋อครับใช่นะฮะถ้าไปดูอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นถ้ามาดูควารมรู้สึกนี้แน่นอนกว่าแต่ในความใครเห็นว่ามไม่มีอะไร อ, อยู่นี่นี้ความรู้สึกไม่มีไม่มีความคิดความเห็นเลยเราจะดูอะไรก็ยังเห็นความรูร้สึก<า>ไม่มีความคิดความเห็นเลยพอพอมันความคิดมันเข้ามาปุ๊บเราเห็นมันดีรู้มันดีออกหลังนึกถึงอะไรเราเห็นต่แบนี้ไม่มีทางเถอะแต่ทีแรกก็จะเถอดูไปเรื่อยๆเราจะเราจะ เราจะ ช, ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเราจะเข้าใจขึ้นพ้าเราจะเรียนรู้อันนี้เพราะความคิดนั่นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างความทุกก็คือความคิดนั่นแหละคือสังขาร น, นี่แหละใช่ไหมเขามาดับสังขารหรือดับความคิดนั่นนี่นะเขามาติดตะสังขาร น, นี่แหละเขามาดูจิตอจิตก็คือดูความคิดนะ น, นะฮนะเพราะว่าดูจิตเนี่ยถ้าไปดูในตาําราทําไม่ได้ผมทําล้วแต่นี้มาเห็นอันนี้ผมจะพูด ไม่เหมือนในตําราหละครับร อ, องยังไม่ตรงกับตาําราเหครับนะแต่ว่าตรงะนะเอาผลเลย ม, ม, มีมีมีเหมือนกันครับผมเคยเปิดเพื่อไทยไปจบมีมีทีข้อความลักษณะในอยู่คว่าเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าสู่ที่นาสวัสดิ์วอนนี้ผมก็คิดว่าอย่างไงไงก็ต้องมาเห็นอย่างนี่มันต้องเข้าใจอย่างนี้หมดแต่นี้เปลี่ยนต่างกันแต่คําพูดเท่านี้อย่างวัฒนธรรมไทยดูความคิดวันนีไม่บอกใครดูความคิด เขาจะบอกให้ดูปามรู้สึกว่าเนี่ยก่อนมันอยู่กับหลวงพ่อเทียนนั่นเองเขาจะต่อต้านผมมหาว่าครูสอนไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนจะเหมือนได้อย่างไรนะฮะแต่ผมว่าผมเหมือนอ่ะใช่ไหมแต่ผมคิดว่าผมจะทําให้คนเข้าใจแต่นี้เราก็พยายามไปแนะคนแล้วคนก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะฮะบอกโอเราทํามาแล้วนี่เราเห็นกับตัวเองเพราะดูยังไงถึงเนยถึงจะเห็นอันนี้ชัดถึงจะเราถึงจะตัดมันได้หรือจะควบคุมมันได้ก็เรียกควบคุมฟังคิดอันนี้แหละใช่ไหมเดี๋ยวนี้ เรพูดคุยจิตแล้วก็ม่มีความคิดเห็นคุรเอันนะที่เราพูดเนี่ยคุรเอันนะเจ็ตเราเฉยเฉยนะจิตไม่ต้องมีความคิดความเห็นนะอันนี้ก็พูดไปตามภาวะนี่ดิผมพูดผมก็อ่านเหมือนกับอ่านนี่การจากใ จ, ใ, จนะใช่ใชับนะ่ยนะไม่ใช่คิดนึกใช่ไหมจิตก็ไม่คิดอะไรจิตก็พักอยู่ตามรู้สึกพักสงบอยู่าหายใจเข้าหายใจออกพืพ้นโฟ ให้มันให้มันคงเกินยิ่งขึ้นนะมะประคับประคองให้มันดียิ่งขึ้นจิตก็พักอยู่ยึบอยูเราจะทําการทำงานจิตแล้วไม่ต้องไปทำแล้ไม่ต้องมีความรู้สึกว่ า, าต้องทำํำก่อนนี้เมงถ้าเราไม่เห็นความรู้สึกนีเป็นว่าเรารู้สึกไปเรื่อยเลยเป็นว่าเราทําปฏิบัติก็เล่านะแต่กิเลสมันแย่งทำไปหมดเนลยงั้นพอเราไม่เห็นความรู้สึกมันก็หยุ ด, ม, ดยมันไม่มีเรา คำว่ามีเราถ้าคนที่ไม่ได้ดูจิตนี้พูดเขาก็เขา้เขาใจเอไม่มีเราได้ยังไง เ, เขาอยู่กับเราเราใช่ไหมเขาติดเ<ก>รนะาตอนนี้มันทำ